ต้องชอดใชกรรมมาแล้วก็ทุนเดิมเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แต่ก็ยังสนใจอยู่ครับความที่ไม่มีคาราเดนมิตทนั่นเองครับกลับไปตัวคนเดียวท่ามกลางพวกนักแอคติวิสต์นักกีฬากรรมทั้งหลายซึ่งไม่สนใจเลยเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ก็เลยไม่คงทนนะครับมาโรงรุ่นนี้แหละครับที่มาเป็นครูที่โรงรุ่เ น, นี่ยเรื่องนี้กลับมาอีกกลับมาอย่างจริงจังก็ได้ฝึก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 อาจารย์สอนให้แบบนี้ ก, ก็เห็นว่าตอนนั้นความรู้สึกคือ อ, อละเอียดนะอันนี้ละเอียดดีนะ้าจะมาเรียนรู้พอมีคอร์สแรกโอ้โหไม่รู้มามาอย่างไรก็ไม่รู้โปรแกรมโปรแกรมมันชนกันใน ห, หมดก็เลยไม่ได้มานะครับพอมีรู้ว่ามีครั้งนี้ก็เคลียร์งานเต็มที่แม้ว่าจะมีประชุมกํสำคัญคือประชุมวันเก็บอารมณ์วันแรกครับมีประชุมสาคัญตอนบ่ายนะครับสาคัญมาก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 แล้วมันเกิดความคิดฟุ้งซ่านหรือมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ apa? ให้เปลี่ยนไปอิริยาบถหนึง่งแล้วลองนั่งดูซิลองทำดูซิแล้วก็ถ้ามันมีความคิดเข้ามาก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ, ๆผมลองทำอันนี้ดูนะครับมันจะเริ่มเห็นเวทนาที่ละเอียดขึ้นแล้วมันจะเริ่มเห็นความคิดคุ้งต่งที่เข้ามาละเอียดขึ้นพอมันเห็นปุ๊บเราเปลี่ยนพอเห็นปุ๊บเราเปลี่ยนอิระยะิยาบถนะ